ลมหนาวปลายเดือนพฤศจิกายนพัดโชยมาสัมผัสผิวกายหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือคุณต้อมแล้วก็เพื่อนๆ น, นะคะที่เป็นนักศึกษาหลายคนค่ะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่นานนับเดือน และแล้วค่ะพวกเขาก็ได้มาสัมผัสชีวิตของผู้คนที่นี่ค่ะรับรู้ถึงความลำบากยากเขียนของชาวบ้านถึงกับอึ้งเลยไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นว่านี่หรือคือประเทศไทยไฟฟ้าไม่มีใช้ถนนหนทางที่ใช้สัญจรยังเป็นทางที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเองงานหลกัหลกๆคุณต้อมบอกว่า ที่พอจะช่วยกันได้ก็คือการซ่อมแซมอาคารเรียนเก่าๆของที่นี่ค่ะแต่ว่าน่าจะเรียกว่าเพิงพักนักเรียนน่าจะดูเหมาะสมกว่ามีเพียงหลังคามุงจาก ผ, ผ, ผุพังๆไม่น่าจะใช้คุ้มแดดคุ้มฝนได้เลยทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมใช้งานนะคะทีมพลังนักศึกษาของพวกเราก็เลยเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยแรงใจพร้อมกับเงินที่มีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคมาจํานวนหนึ่งแต่ว่าถึงแม้จะมีเพียงน้อยนิดก็ดูมีค่ามหา ส, รสหรับคนนทีนี่่สังเกตได้จากรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ค่ะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความมีน้ำใจซึ่งคงหาได้ยากจากสังคมเมืองสถานที่ที่พวกเราใช้เป็นที่พักพิงก็คือวัดของที่นี่นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากคนจำนวนมากกว่าสถานที่พวกเราจึงต้องไปพักกันตามบ้านของชาวบ้านบ้างที่โรงเรียนบ้างแล้วก็แยกย้ายกันไปเป็นกลุ่มๆส่วนกลุ่มของคุณต้อมก็มีอยู่กันประมาณ20คนค่ะก็ได้พักกันที่วัด บรรยากาศภายในวัดดูสงบร่มรื่นเย็นมากซึ่งตอนเย็นๆก็จะมีนกจำนวนมากมาชุมนุมกันอยู่กันเป็นจำนวนมากค่ะที่ต้นไทรด้านหลังวัดเนื่องจากว่าต้นไทรคงจะมีผลที่บรรดา น, นกทั้งหลายคงใช้เป็นอาหารได้พวกเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงพวกเราแทบจะไม่ต้องหุงหาอาหารกันเองเลยเนื่องจากว่าจะมีชาวบ้านผลัดเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนมาช่วยกันเป็นแม่ครัวให้กับพวกเรา บายแก่ๆวันหนึ่งค่ะหลังจากที่กลับจากการทำงานคุณต้อมบอกว่าก็พอดีมีงานศพของชาวบ้านอาวุโสท่านหนึ่งที่เสียชีวิตจากโรคชราซึ่งทุกๆคนก็พอจะรู้จักแกอยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่าแกเองก็เคยมาช่วยพวกเราทำงานที่โรงเรียนอยู่ครั้งสองครั้งเห็นจะได้ค่ะจากการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านก็ได้ความนะคะว่าเช้าตรู่วันหนึ่งเมียแกเนี่ยไม่เห็นว่าแกลุกขึ้นแต่เช้าเหมือนทุกๆวัน พอเข้าไปดูในห้องของแกก็พบว่าแกเนี่ยนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงแล้วซึ่งปกติแล้วแกจะเป็นคนตื่นแต่เช้าเข้าไปดูพืชผักสวนครัวในสวนของแกที่แกปลูกไว้เป็นประจำทุกวันพิธีศพค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะหลังจากที่ฟังพระสวดศพจนเสร็จแล้วก็ได้เวลาเคลื่อนย้ายศพสู่เชิงตะกอนค่ะ ขั้นตอนนี้ก็ทําเอาพวกเราเนี่ยขวัญกระเจิงชาวบ้านเขาเผาศพกันกลางแจ้งเลยทีเดียวเพื่อนผู้หญิงบางคนต่างไม่กล้ามองที่ภาพที่อยู่ตรงหน้าเนื่องจากว่าพอไฟลุกโชดช่วงได้สักพักหนึ่งก็จะเห็นเป็นรูปร่างคนเนี่ยนอนตัวแข็งอยู่บนกองไฟซึ่งเรียกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยทีเดียวค่ะพอตกดึกคืนนั้นคุณต้อมบอกทําเอาพวกผมนอนไม่หลับกันเลยค่ะพี่เพราะอะไรลหรคะ เพราะอากาศที่หนาวเย็นด้วยถึงทำให้กับตัวสั่นสะท้านไปหมดเลยเวลาที่มีลมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างของศาลาที่พักกว่าจะได้นอนนะคะก็ปาเข้าไปดึกดื่นค่อนคืนค่ะกลางดึกคุณต้อมตื่นมาในความเงียบเสียงเพื่อนคนหนึ่งนอนกรนเสียงดังสนัน่นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ อาจจะเป็นเพราะว่าความหนาวเย็นนะคะหรือว่าเพราะน้ำที่ดื่มไปช่วงก่อนนอนก็ไม่รู้ก็เลยทำให้ต้องปวดเบาตอนนี้ภาพการเผาศพเมื่อตอนกลางวันก็เล่นเอาคุณต้อมบอกอยากฉีตรงที่นอนนี่แหละไม่อยากจะไปเข้าห้องน้ำเลยเพราะว่าต้องลงไปจากศาลาที่พักแล้วก็เดินไปอีกประมาณ200เมตรปลุกเพื่อนแต่ละคนก็ไม่มีใครตื่นเวรกรรมจริงๆที่จะต้องไปห้องน้าคนเดียว จะนอนรอจนสว่างก็คงจะต้องฉี่ราดที่นอนเป็นได้อายเจ้าพวกเ พ, เพื่อนเป็นแน่แท้คุณต้อมคิดนะคะก็เลยต้องกัดฟันเดินลงจากศาลาไปแค่คนเดียวค่ะพอเดินมาได้ครึ่งทางก็เห็นแสงไฟจากตะเกียงสองสว่างอยู่ที่คนต้นทรพร้อมกับมีเสียงพูดคุยกันเออก็เลยทําให้พอใจชื่นขึ้นมาได้บ้างกะว่าพอทําธุระเสร็จก็จะเดินเข้าไปถามไถ่ายหน่อยว่ามาทําอะไรกันที่นี่ดึกดืนป่านนี้ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเดินเข้าไปที่วงสนทนานั้นเพื่อจะพูดคุยด้วยตามประษาคนคุ้นเคยค่ะแต่คุณต้องบอกผมไม่คุ้นหน้าใครเลยถ้าเป็นชาวบ้านแถวนี้เนี่ยแทบจะทุกหลังคาเรือนผมต้องรู้จักก็เลยถามลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆผมบอกว่าลุงมายืนชุมนุมอะไรกันดึกดื่นป่านนี้พอแกหันมาจะตอบเท่านั้นแหละ คนลุกเกลียวไปทั้งตัวมือไม้หมดแรงเข่าอ่อนก็จะไม่ให้ตกใจกลัวได้ยังไงแล้วคุณผู้ฟังก็คือลุงที่หันมาเนี่ยคือแกเพิ่งตายแล้วก็เผาไปเมื่อตอนบ่ายนี้เองคุณต้องบอกผมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตฝ่าความมืดมาจนถึงสาลาที่เพื่อนๆ น, นอนกันอยู่ เพื่อนก็พร้อมใจกันตื่นคงจะเป็นเพราะว่าเสียงวิ่งขึ้นบันไดามานั่นเองเพื่อนหลายคนก็บ่นอุบเลยบอกนี่แกคนจะหลับจะนอนเออะเสียงดังไปได้แต่พอว่ามันเห็นอาการหน้าซีดของคุณต้อมนะคะหลายคนที่สงสัยก็เลยคาดคั้นเอาคําอธิบายจากคุณต้อมให้ได้เดี๋ยวนี้แต่คุณต้อมบอกมันพูดไม่ออกมันจุกอยู่ตรงอกว่ากว่าจะละล่ำละลักอธิบายเพื่อนๆได้เนี่ยก็ใช้เวลานานโขอพอสมควรเพื่อนก็เลยพากันจุดตะเกียง ทั้งหมดก็เลยเดินลงไปดูที่คนต้นใส่ก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นั่นอย่างที่คุณต้อมบอกหลายคนก็เลยบอกว่าคุณต้อมนี่คงจะนอนละเมอแม้คุณต้อมเองจะนั่งยันนอนยันตีหลังกายยันยังไงก็ไม่เชื่อแต่หลายคนก็เริ่มสนใจค่ะอาการของคุณต้อมที่เจอผีมาสักครู่นี้ก็เริ่มดีขึ้นเพื่อนๆยังนอนไม่หลับก็ยังคงนอนพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณต้อมสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง อากาศที่ยังคงอาสงบนิ่งอยู่ลมก็พัดมาเหมือนฝนจะตกลมแรงมากค่ะพร้อมกับเสียงฟ้าร้องเสียงดังหวิดหวิวฟังดูน่ากลัวสักพักนึงก็มีเสียงฝนเสียงลมผ่านต้นไม้ข้างสายลาไหวยเอ็นเหมือนปีศาจตัวโ ต, ว ต, วตวกําลังยิงย่างเข้ามาหาเราหลายคนมองหน้ากันเลิกลักค่ะอยู่ๆก็มีเสียงดังโครมลงนะคะดังอยู่บนหลังคาสังกสีทุกคนตกใจกระโดดกอดกันกลม หลังจากลมเริ่มสงบก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันพร้อมกับเสียงหัวเราะแผ่วๆดังมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งด้านหลังวัดเพื่อนๆผู้หญิงบางคนถึงกับร้องไห้โฮอย่างไม่อายใครเลยนะคุณผู้ฟังจนถึงตอนเช้าค่ะทุกคนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว ก็เลยต้องเดินไปดูแหล่งที่มาของเสียงนะคะพอไปถึงค่ะก็ต้องตกตะลึงไปตามๆกันเพราะว่าที่นั่นมันเป็นสถานที่เก็บกระดูกของคนตายที่มีอยู่นับสิบเลยก็ว่าได้บางคนยกมือไหว้ปลกุกปลุกนะคะแต่ว่าคุณต้อมหมกผมน้าตาซึมเลยพี่ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์สยองขวัญเข้ากับตัวเองพอนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อท่านก็แนะนาว่าให้ทาบุญอุทิศกุศลให้กับดวงวิ ญ, ญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว พวกเราทุกคนก็เลยทำตามแต่ว่าไม่มีใครกล้านอนที่สาราวัดแห่งนี้อีกเลยค่ะ เรื่องราวแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณเดชค่ะตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะคุณเดชกับน้องสาวบอกว่าเคยมีประสบการณ์สยองขวัญร่วมกันตอนนั้นเนี่ยคุณเดชอายุน่าจะไม่เกิน10บขวบน้องสาวก็คงจะประมาณสัก7ขวบนะคะครอบครัวของคุณเดชเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะคะแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่น่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีป้าสายใจค่ะอยู่บ้านาข้าง แกรสนิทกับครอบครัวงคุณเดชมากตอนทํากับข้าวทําอาหารการกินก็จะแลกเปลี่ยนกันกินเกือบจะทุกมือ้อแล้วแกก็ยังมีลูกในวัยเดียวกันกับคุณเดชอยู่อีก2คนก็คือเจ้านบกับเจ้าน้อยก็เล่นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยทะเลาะกันเลยหลังจากเลิกเรียนค่ะทุกคนก็ชวนกันเล่นสนตามประษาเด็กไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลยิงนกตกปลาหลังบ้านของเรานั่นแหละมันเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทุกๆวันเนี่ยค่ะคุณเดชบอกว่าก็จะชวนกันไปนเที่ยวเล่นในสวนป่าหลังบ้านพร้อมกับยิงนกเก็บผลไม้ป่ามากินกันเป็นประจำวันนี้อีกเช่นกันคุณนบกับน้องสาวแล้วก็เจ้านบเจ้าน้อยพร้อมอุปกรณ์ก็จะมีหนังสติ๊กเนีคะเป็นอาวุธประจําตัวค่ะน้องสาวเนี่ยก็เป็นคนที่จะติดคุณเดชมากไปไหนก็จะขอไปด้วยทุกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์คุณเดชบอกว่าเราไม่ต้องไปโรงเรียนสบายใจเลยสักพักหนึ่ง เจ้านบกับเจ้าน้อยก็แยกทางกับคุณเดชแล้วก็น้องสาวไปน ะ, ะ่ยค่ะเนื่องจากว่าเดินทางมาได้สักพักนึงน้องสาวบอกว่าเหนื่อยอยากพัก2คนพี่น้องก็เลยนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะปล่อยให้2คนนั้นล่วงหน้าไปก่อนพอดื่มน้ําเสร็จก็คิดว่าอาจเดี๋ยวเดินตามไปก็คงทันทีนี้อากาศเย็นค่ะทําให้รู้สึกง่วงก็เลยจัดการเด็ดใบ ไ, ไม้มาปูสําหรับสองคนพี่น้องเพื่อจะได้นอนพักผ่อนกันสักงีบหนึ่ง ลมก็เย็นพัดผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้หลับกันสบายใจนานแค่ไหนไม่รู้ค่ะตื่นขึ้นมาอีกคีหนึ่งตกใจเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วมองเห็นน้องสาวรางจากแสงจันทร์ที่โผล่พ้นยอดไม้รำไรก็คิดว่าจะปลุกน้องสาวเพื่อจะได้เดินทางกลับบ้านกันป่านนี้พ่อแม่คงเป็นห่วงแย่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสิคะคุณผู้ฟัง น้องสาวที่นอนคว่ำหน้าอยู่ไม่ยอมลุก ค, ค่ะเขย่าวตัวอยู่นานก็ยังไม่ยอมขยับก็เลยตัดสินใจพลิกตัวน้องสาวขึ้นแต่ว่าภาพที่ปรากฏ เล่นเอาคุณเดทนี่หัวใจแทบหยุดเต้นมันเป็นใบหน้าของคนอื่นที่ไม่ใช่น้องสาวคุณเดชแทนที่จะเป็นใบหน้าของน้องสาวของเขาแต่เป็นใบหน้าใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ในร่างกายของน้องสาวคุณเดชบอกตกใจกลัวสุดขีดขนลุกไปทั้งตัวตกตะลึงอ้า ป, ปากค้างทำอะไรไม่ถูกขยับร่างกายจะลุกขึ้นแต่ว่าก็ทาไม่ได้เหมือนมีคนกดไหล่ไว้ทั้งสองทาง ทีนี้แสงจัน์กระจ่างสองสว่างเต็มท้องฟ้าแล้วค่ะอยู่ๆก็มีเมฆดำทะมึนก้อนใหญ่พัดผ่านไปความมืดปกคลุมอยู่ชั่วขณะหนึ่งคุณเดชใจหายว่บมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดดำสนิทพอเมฆดำผ่านพ้นไปภาพที่เห็นอีกครั้งคือทำเอาแทบช็อกหมดสติค่ะชาไปทางร่างกายเหมือนกระแสฟไฟฟ้า อ, อ่ อ, อนๆแล่นเข้าสู่หัวใจภาพที่เห็นคือหญิงชาราคนนึงนั่งกอดน้องสาวไวแนน น้ำใสๆอาบอยู่สองแก้มของน้องนะคะดวงตากลมโตคู่นั้นมองมาที่คุณเดชขอความช่วยเหลือแต่ว่าคุณเดชกลับทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองตาน้องด้วยความสงสารปนความสยองหญิงชราณนชุดดำหัวขาวโพลนผู้นั้นก็หันมาสยะยิ้มให้ดูเป็นรอยยิ้มแบบไร้ชีวิตตาดำเป็นสีเทาทั้งสองข้างเลย คุณเดทนิ่งตะลึงอยู่อย่างนั้นไม่ยอมมีความรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยขวันมันกระเจิงไปหมดแล้วนะคะสองคนพี่น้องนั่งนิ่งมองหน้ากันอยู่แบบนั้นนานมากไม่มีการพูดคุยใดๆมีก็จะเพียงแค่หยดน้ำตาของเราสองคนที่สื่อถึงความรู้สึกของกันและกันได้ก็เท่านั้นแต่ว่าสักพักหนึ่งค่ะก็ได้ยินเสียงพูดคุยพร้อมกับแสงไฟฉายส่องมาแวบๆแต่ไกลก็รู้สึกโล่งใจที่พ่อแม่ออกตามหาเราแล้ว เสียงหมาบ้านหลายตัวเห่าเสียงดังค่ะแสงจากไฟฉายหลายดวงพร้อมเสียงตะโกนโวกเวกเรียกชื่อเราสองคนคุณเดทรู้สึกอุ่นใจก็พยายามเรียกตะโกนพ่อแม่เสียงดังลั่นแสงไฟส่องสว่างมาที่ใบหน้าคุณเดทแล้วก็น้องสาวจนคุณเดทนี่ต้องรีตามองสู้แสงไฟพอพ่อของคุณเดท เ, เดินมาหยุดดูได้ต้นไม้ที่นั่งอยู่เนื่องจากว่าเจ้าข่าวกับเจ้าลายมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันมายืนเห่าอยู่ตรงหน้าเราเสียงดังลั่นเสียงพ่อก็ดุหมา ก็เลยพูดบอกไม่เห็นมีอะไรเลยเลี้ยงเสียข้าวสุกไปรีบไปแล้วจากไปพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านอีกนับสิบมุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึกก็เล่นเอาทําเอาหัวใจเหลือเพียงเล็กนิดเดียวนะคะจากนั้นก็นั่งพนมมือหลับตานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งสวดมนต์อ้อนวอนวิ ญ, ญญาณร้ายบอกว่าได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถอะตอนสายของวันรุ่งขึ้น คุณเดชก็นอนหลับอยู่ที่นั่นแหละจนตื่นขึ้นมาในสภาพอ่อนล้ามีน้องสาวเนี่ยนั่งเขย่าตัวอยู่ข้างๆพร้อมกับรอยน้ําตาแล้วก็รีบเดินทางออกจากป่าทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบกลุ่มคนกาลังนั่งคุยกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยเป็นชาวบ้านที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพอเห็นหน้าสองคนพี่น้องเนี่ยก็มีคนตะโกนบอกแม่กับพ่อบอกกลับกันมาแล้วแม่กับพ่อก็โผล่มากอดด้วยน้ําตาในสภาพอิดโรยคงออกตามหาเราทั้งคืนเป็นแน่ เรื่องราวต่างๆพรางพรูออกจากปากคุณเดชค่ะแม่ก็นั่งตกตะลึงพร้อมเล่าให้เราฟางังจุดที่ไปนอนเนี่ยเป็นป่าช้าเก่าที่แต่ก่อนนั้นชาวบ้านแถบนี้ใช้เป็นที่เผาศพแล้วก็เลิกใช้มานานหลายสิบปีแล้วชาวบ้านรุ่งขึ้นพ่อแม่แล้วก็คุณเดชแล้วก็น้องก็เลยพากันไปตักบาตร ท, ทาบุญที่วัดนีคะหลังจากกลับมาจากวัดก็สังเกตน้องมีดวงตาเศร้าส้อยไม่ค่อยช่างพูดเหมือนแต่ก่อน เธอเองก็คงจะช็อกนะคะกับเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีเรื่องที่ทําให้คุณเดทต้องตกตะลึงอีกครั้งเธอบอกว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันในป่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนไหล่คุณเดทนะคะโอ้โหแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะคุณเดทแล้วก็น้องสาวก็ไม่เคยเข้าไปในป่าอีกเลยค่ะเรื่องเล่าตื่นเต้นสยองขวัญเรื่องสุดท้ายประจําคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณสันค่ะคุณซันบอกว่า อยู่กับเพื่อนๆประมาณห้าคนเรียนด้วยกันที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนะคะครอบครัวของเพื่อนนี่ก็ได้อพยพไปอยู่ที่กรุงเทพกันหมดแล้วเนื่องจากว่างานของพ่อแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยมีป้าที่เป็นพี่สาวของคุณแม่เนี่ยเป็นคนดูแลให้ เป็นบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในสวนห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรค่ะก็เป็นที่ถูก อ, อกถูกใจของเพื่อนๆแล้วก็คุณซันแหละนะคะที่ต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ธรรมชาติที่นี่มีให้เราครบทุกอย่างเลยคุณซันบอกยกเว้นความสะดวกสบายเขาใช้ที่นี่เป็นที่เขียนรูปค่ะ ทุกอย่างดูจะเป็นใจหมดธรรมชาติก็ดูสวยงามหลังบ้านก็ยังมีภูเข า, ข, าขนาดย่อมซึ่งก็แวดล้อมไปด้วยไร่สับประรดแล้วก็สวนเงาะนะคะมองไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาก็จะถูกตาต้องใจงดงามเหลือเกินนักเรียนศิลปะอย่างกลุ่มของคุณสันเนี่ยคงไม่มีอะไรสุขใจไปกว่านี้อีกแล้ว คืนแรกที่มาถึงที่นี่ค่ะคุณซันก็จัดการเดินสำรวจสถานที่เป็นอันดับแรกเลยตัวบ้านนี้ก็เป็นบ้านไม้อายุอานามก็คงจะมากโขดูจากสภาพไม้ที่ต้านแดดต้านฝนมาอย่างยาวนานนะคะภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นเนี่ยไม่มีให้เลยห้องนอนที่อยู่บนชั้น2มีอยู่3ห้องนอนแต่ว่าไม่มีเตียงนอนมีเพียงแค่เสื่อเก่าๆเท่านั้น หลังบ้านยังมีบ่อน้ําเก่าๆสมๆไว้ให้คอยชําระล้างร่างกายนะคะภายในบ่อน้ําที่เขียวขจีเต็มไปด้วยตะไคร่น้ําที่เกาะอยู่กับผนังของบ่อที่ใช้อิฐสีแดงก่อเรียงตัวกันขึ้นมาเหลือเขาสีแดงของอิฐอยู่น้อยนิดค่ะบริเวณ ร, บรอบๆบ้านก็ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่รกครึ้มดูน่ากลัวยามค่าคืนนี้ยิ่งทําให้ตัวบ้านเหมือนถูกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกหลังจากทําธุระส่วนตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็ตั้งวงสนทนาพร้อมกับดื่มเหล้าดื่มสุราร้องเพลงกันเป็นที่สนุกสนานเฮฮาค่ะนั่งคุยกันได้พักใหญ่เหล้าหยดสุดท้ายก็หมดลงก็สร้างความหงุดหงิดให้เล็กน้อยเจ้าของบ้านพร้อมกับเพื่อนอีกคนก็เลยอาสาเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อสิ่งของที่ต้องการเสียงรถเคลื่อนออกไปจากบ้านไม่เท่าไหร่ สายลมก็พัดกระหน่ำมาวูบใหญ่โดยไม่มีปีมีคลุยและบรรดาสุนัขทั้งหลายที่มีอยู่ในบริเวณนั้นเนะะี่ยก็พากันเหา่าหอนเกลียวกราวกันขึ้นท่าทางมันก็คงจะตกใจกับสายลมที่พัดมาเมื่อสักครู่แล้วก็สงบนิ่งไปอีกครั้งแต่ว่าเสียงหมาหอนยังคงอยู่นะคะพร้อมกับได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวแว่วมาแต่ไกลทุกคนก็คิดว่าอ่ะน่าจะเป็นลูกของชาวบ้านแถวนั้นแหละ สังเกตได้จากตอนช่วงเย็นๆที่เพิ่งจะมาถึงก็จะมีบ้านของชาวสวนอยู่ประมาณ 2-3 สหลังค่ะปลูกห่างๆกันรอบๆบริเวณสวนเงาะคุยกันไปได้อีกสักพักใหญ่เล่าก็หมดก็ดูนาฬิกาก็ประมาณตี2ก็เลยพากันเข้านอนแต่ด้วยความเมาพอหัวถึงหมอนก็หลับไปได้โดยง่าย ก็เลยเกิดฝันขึ้นค่ะว่ามีเด็ก2คนหน้าตาเนี่ยเหมือนคนคนเดียวกันมาวิ่งเล่นในรอบบ้านบริเวณที่นอนหัวเราะต่อกระซิกกันเป็นที่สนุกสนานคุณซันก็พยายามพูดคุยถามไถ่ายแต่ว่าสองคนที่เป็นเด็กเนี่ยก็ได้แค่มองแล้วก็ยิ้มยิ้มพอเห็นหน้าเด็ก2คนใกล้ๆครั้งนี้เนี่ยทำเอาตกใจตื่นเคยเพราะว่ามันเป็นหน้าคุณซันเองทั้งสองมีใบหน้าเหมือนคุณซันมากเลยนะคะช่วงสายๆวันรุ่งขึ้น คุณันแล้วก็เพื่อนๆก็แยกย้ายกันออกไปหามุมนั่งเขียนรูปแต่ว่าเรื่องเด็กสองคนในความฝันเนี่ยทำเอาจิตใจของคุณสันว้าวุ่นทั้งวันจนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดลงคุณสันก็เลยเดินกลับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันกับเพื่อนๆ เ, เรื่องงานแต่ว่าความงามของธรรมชาติยามเย็นมันกลับทําให้คุณซันรู้สึกเป็นกังวลอีกครั้งหนึ่งค่ะยามค่าคืนของที่นี่เงียบเหงากว่าเคยสามทุ่มและ เพื่อนๆ พ, พากันเข้านอนเรียบร้อยแล้วทิ้งให้คุณสันอยู่ภายใต้แสงสว่างของตะเกียงมองออกไปภายนอกก็มีเพียงความว่างเปล่ากับความมืดเท่านั้นส่วนแสงไฟบ้านอื่นๆค่ะก็ค่อยๆดับลงเหลือเพียงเงารางๆของบ้านดำทะมุนอยู่ในความมืดสลัว แต่ว่าในขณะที่เอนตัวลงนอนนั่นเองนะคะก็เห็นเงาจังๆใครบางคนเดินผ่านไปด้านหลังบ้านซึ่งมีบ่อน้ำอยู่เสียงภาชนะกระทบน้ำภายในบ่ก็นึกในใจว่าเอ๊ะคงจะมีใครสักคนหนึ่งร้อนก็เลยตื่นขึ้นมาอาบน้ำกลางดึกนะคะ แล้วก็เป็นจริงดังที่คิดค่ะก็ได้ยินเสียงซ่าดังออกมาจากด้านหลังบ้านก็เลยกะว่าจะเดินไปดูสันหน่อยว่าเป็นใคราบางทีเนี่ยอาจจะขออาบน้ําบ้างเพราะว่าคืนนี้ร้อนมากไม่มีพัดลมแล้วก็ไม่มีสายลมพัดด้วยแม้เพียงน้อยนิดก็ไม่มีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนก็เป็นได้คุณสันมีตะเกียงเป็นเพื่อนร่วมทางพอเดินทางมาถึงหลังบ้านกลับพบเพียงแค่ความว่างเปล่าหันหลังเพื่อจะเดินกลับเข้ามาภายในบ้านก็ต้องตกใจสุดขีด เพื่อนคนที่เป็นเจ้าของบ้านค่ะเดินมางิบงเงียบถามเสียงเรียบๆบอกจะไปไหนคุณสันก็เลยบอกถอยบ้าเล่นเอาตกอกตกใจหมดมาไม่ให้ซุมให้เสียงเดี๋ยวก็หัวใจวายตายกันพอดีพอซักถามก็ได้ความนะคะว่ามันร้อนก็เลยลุกไปอาบน้ําแต่ว่าพอดีเนี่ยลืมผ้าเช็ดตัวก็เลยเดินมาหยิบพร้อมกับขอตัวไปอาบต่อทีนี้เนี่ยคุณสันบอกว่าเดินเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงกลดสนั่นลั่นบ้านแข็งกั น, นยังกับเครื่องบิน F16 พอแสงสว่างจากตะเกียงส่องหน้าเพื่อนๆชัดๆเท่านั้นแลยค่ะเล่นเอาเย็นยะเยอกจับขั้วหัวใจเจ้าคนที่ไปอาบน้ำอยู่เมื่อตะกีเนอนอนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับเสียงกรนสนั่งดังกว่าใครอื่นแล้วใครที่เจอที่หลังบ้าน คุณสันใจหายว่าบเมื่อนึกถึงเรื่องที่เพิ่งเจอมา ส, สดๆร้อนๆข้างนอกนั่นมันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยเกิดคำถามขึ้นภายในจิตใจกลัวก็กลัวค่ะอยากรู้ก็อยากรู้เดินออกมาหลังบ้านอีกทีพบเพียงความว่างเปล่าพร้อมกับกระแสลมร้อนพัดมาปะทะหน้าอย่างแรงจนแทบล้มทั้งยืนตัวชาขาสัน่น พอตื่นเช้ามาก็เล่าให้เพื่อนๆฟังพวกมันก็ตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานาทีนี้ที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่กลับมาได้สองวันไอ้เพื่อนตัวดีเนี่ยโทรมาหาช่วงบ่ายเสียงพูดเหมือนคนตกใจกว่าจะละล่ํา ล, ลักพูดออกมาได้แต่ละประโยคช่างดูยากเย็นเหลือเกินก็ได้ความค่ะว่านําเรื่องที่เจอเนี่ยเล่าให้แม่ฟังแม่ถึงกับปล่อยโหออกมาเลยบอกว่าเขาคนนั้นนี่อาจจะเป็นพี่ชายฝาแฝดของลูกก็ได้ในสมัยเด็กๆลูกๆสนมาก มีอยู่วันหนึ่งลูกสองคนกำลังจะตากน้ำจากบ่อมาเล่นกันช่วงนั้นแม่กับพ่อไม่อยู่บ้านอยู่ๆลูกก็พลัดตกลงไปพี่ชายลูกก็เลยกระโดดลงเพื่อที่จะช่วยเหลือแต่คนที่คิดจะช่วยกลับต้องเสียชีวิตแต่ว่ากว่าที่เพื่อนบ้านจะมาช่วยเหลือลูกไว้ได้ทันท่วงทีด้วยความรักน้องผู้พี่ก็เลยยืนอยู่ใต้น้าเพื่อให้น้องเนี่ยได้เหยียบลายแต่ว่าก็คงจะนานเกินไปละ่ะสายเกินไปสาหรับความช่วยเหลือ พอรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เลยทิ้งบ้านหลังนั้นแล้วก็อดีตที่ผ่านมาไว้เบื้องหลังแล้วก็ไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยเพราะพ่อเนะะี่ยค่ะโทษว่าเป็นความผิดของพ่อที่ไม่ยอมปิดฝาบ่อน้ําให้มิดชิดก่อนออกจากบ้านลูกคงจะจําไม่ได้แล้วเพราะว่ายังเล็กอยู่มาก เขาก็เลยอยากมาทักทายกับน้องชายตัวเองแต่ก็คงสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยมาพูดกับคุณสันแทนหลังจากนั้นประมาณ2ปีกว่านะคะหลังจากเรียนจบก็ได้ข่าวว่าครอบครัวของอเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านสวนของมันจนถึงทุกวันนี้นะคะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้กับบีด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์บีได้อ่านหมดเลยนะคะแต่ว่าตอบไม่ทันจริงๆกราบขอบพระคุณในความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นด้วยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ